อาทิตย์ที่หนึ่งธันวาคมพศ2539เป็นการบรรยายพั ส, สูตรในสองยุตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัทธาท่านสาธุชนที่เคารพพระสูตรวันนี้ยังจะพูดสูตรที่มีชื่อว่าปุ ษ, ษมังสา ส, สูตรซึ่งเราได้พูดกันมาสองครั้ง ไปแล้วนะครับครั้งนี้จะเป็นการบรรยายครั้งที่สามแล้วก็คงจะจบในครั้งนี้สองครั้งที่พูดมานั้นได้อธิบายค่อนข้างจะพิสดารหน่อยเกี่ยวกับอาหารที่เรียกว่ากะวะวิงการอาหารหรือลูกอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ก็ยังเหลืออาหารสามเป็นนามอาหารคือปัาาสส า, า, าอาหารมโนสัญเจตนาอาหารและอินญาณอาหาร อาหารทั้งสามนี้โดยลําดับอ่าก็จะปรากฏผัสสาหานเป็นประเด็นที่สี่ตามเอกสารประสูตรนะครับที่ขึ้นหัวข้อว่าพึงเห็นผัสสาหานดุจแม่โคไม่มีหนังหุ้มก็ผู้มีประภาษได้ตรัสเนื้อความในตรงนี้ว่าก็ผัสสาหานจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าแม่โคนมที่ไม่มีหนังหุ้ม ถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกพวกสัตว์อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกพวกสัตว์ชนิดอาศัยต้นไม้ใช้กินถ้าลงไปยืนแช่อยู่ในน้ำก็จะถูกพวกสัตว์ที่อาศัยน้ำตอดและกัดกินถ้ายืนอยู่ในที่ว่างก็จะถูกมวลสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเจอะกัด เกากัดและจิกกินเป็นอันว่าแม่โคโนมตัวนั้นที่ไร้หนังหุ้มจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็จะถูกจําพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้ น, น, นกัดกินอยู่ร่ําไปและข้อ น, นี้ก็เป็นการอุปมาของพระพุทธเจ้าก็เราก็คงจะพูดถึงอุปมาเช่นก่อนว่าจุดมุ่งหมายผู้ประมาเนี่ยเพื่อที่จะพูดให้เห็น โทษของผัสสะของการกระทบถูกต้องซึ่งเป็นทัศนะในทางธรรมะตรงกันข้ามกับความรู้สึกนึกคิดหรือความปรารถนาความต้องการของเราที่เรามีความรู้สึกว่าการสัมผัสถูกต้องนั้นเป็นคุณไม่เหมือนกับผู้ปฏิบัติกำหนดรูขนาดเห็นอย่างนี้ท่านยังเปรียบเทียบเหมือนกับแม่โคโนม ที่ท่านต้องเปรียบเทียบเหมือนกับแม่โคโนมคือไม่เปรียบเทียบเหมือนช้างไม่มีหนังหุ้มไม่เปรียบเทียบเหมือนม้าไม่มีหนังหุ้มหรือไม่เปรียบเทียบเหมือนกับพ่อโคที่ไม่มีหนังหุ้มนั้นเพราะเหตุใดอันนี้เป็นความละเอียดของพระพุทธเจ้าเพราะว่าในที่นั้นเป็นที่รู้กันในหมู่พุสุในที่นั้นว่าบรรดาสัตว์ที่ได้กล่าวมานี้ สัตว์ที่ถือว่ามีความอดทนน้อยที่สุดในกรณีของการที่ตัวเองจะต้องถูกถลกหนังและอยู่ในสภาวะอย่างนี้ก็คือแม่โคนมแม่โคนมก็คือแม่โคแม่ลูกอ่อนที่อยู่ในภาวะอ่อนแอความที่ตัวเองไม่มีหนังหุ้มเนี่ยโดยธรรมดาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วอกับทั้งยังเป็นแม่โคที่เป็นโคเมียและเป็นโคที่ เรียกว่าแม่ลูกอ่อนเนี่ยไอ้สภาวะของความเจ็บปวดวดแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นฟังดูหน้าสะพุงกรวดเสียวยิ่งขึ้นนั่นเองแพระพุทธเจ้าจงทรงเปรียบเทียบด้วยแม่โคโนมตรงนี้ถ้าจะตั้งปัญหาถามก็ตอบอย่างนี้นี้อันนี้ท่านก็ผู้พิพพพจารณาให้เห็นว่าแม่โคโนมที่ไม่มีหนังหุ้มเนี่ยมันหาสัมผัส ในที่ใดๆที่เป็นสุขเป็นที่สบายหน้าธํามปดสบูงต้องไม่มีเลยเราเนืู้ให้ดีนะครับว่ า, าบางแห่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับสุนัขขี่เลือนในในพระไตรปดฎกเล่มนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ในตอนใดๆเล่มว่าสุนัขขี่เลือนเนี่ยมันจะไปอยู่ในที่แจ้งก็ดีอยู่ในที่มุงบังก็ดีอยู่โคนต้นไม้ก็ดี ไปนอนอยู่ในที่ใดก็ดีนั่งอยู่ในที่ใดก็ดีเดินที่ใดก็ดียืนอยู่ในที่ใดก็ดีหาความสุขไม่ได้มันจะคันขยเปวดแสบปวดร้อนไปทุกที่ที่มันอยู่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวมันเองเป็นโรคเรือนก็คือไอผัดสะเนี่ยท่านเบีเหมือนกับโรคตำรับในนี่นั้นนะถ้าเป็นในที่นี้ก็เหมือนกับหนังที่ไม่มีฉนวนเนื้อที่ไม่มีฉนวนป้องกันคือหนัง มันน่าเบื่อไม่น่าจะอยู่ที่ไหนเลยอันนี้จะเป็นการพูดอย่างบรรยากาศของอารมณ์ของการปฏิบัติเดี๋ยวจะค่อยเคลีย้เห็นในทางอกระไม้ทีเนี่ยถ้าถามว่าสัตว์พวกไหนที่อาออยู่าศัยอยู่ในฝาลองนึกดูดีนะครับว่าถ้าโคตัวหนึ่งไม่มีหนังหุ้มแล้วไปยืนติดฝาสัตว์อะไรที่อาศัยอยู่ในฝาตามฝาบางท่านอาจจะไึกถึงชิงจบไอชิงจบไม่ ไม่รู้มันจะมาทำอะไรหรือเปลาตุกแกตาขาก็าอาจจะมีะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาว่ามันกัดเจ็บนกันนะผมยังไม่เคยโดนกันแล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามันกัดเจ็บอะไรรู้ไหมมันมันสาบมันสาบกัดเจ็บเ็ราว่าผมไม่เคยโดนกันต้องไปถามคมนือัอนมานิชอะไรก็ไหนเบอกมันกัดเจ็บ หนูก็เหมือนกันหนูนี่ก็ชอบอาศัยอยู่ตามฝาผมว่าหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องหนูอาศัยเข้าไปอยู่ในฝาที่ที่เรากรูข้างนะหนูก็ชอบไอ้ที่โลงๆเขาไม่ค่อยอยากอยู่เพราะนั้นอะไรที่ไปแตกตามฝามันก็จะกัดเอาแล้วก็ดานธรรมดาเนี่ยโครหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะ ขนาดมีหนังหุ้มมันยังอยากจะกัดอยู่แล้วไม่มีหนังหุ้มมั น, มนอยากจะกัดยิ่งยิ่งกลิ่นข้าวมันน่ากินอะ่ะถ้ายืนพิงต้นไม้ก็จะผูกสัตว์ที่อาศัยต้นไม้สัตอะไรอาศัยต้นไม้บุ้งหมดอาศัยอยู่ตามต้นไม้ดีไม่ดีมีงูอยู่ในโรงโรงตมานก็กัดเอา มันอยู่กดติดต้นไม้ปีงต้นไม้ก็ไม่เป็นสุขลงไปแช่อยู่ในน้ํายิ่งเรื่องใหญ่เลยถ้าตอนน้ําท่วมในแม่น้ําใหญ่ใหญ่ไอ้ท่านไปก่อนนะจร ะ, ะเข้มเยอะกลิ่นกาวเลือดเนี่ยจร ะ, ะเข้มจะไหวมากเวลาเขาล่าจร ะ, ะเข้มก็ถึงเอาเอาเอ า, เอาเนื้อกสดสดที่มีกาวเลือดไปล่อมันมันชอบเป็นพวกปลาพวกจร ะ, ะเข้มพวกปลิงไ ป, ป็นจระเข้มนะ ตัวมันเลียเหนียวอ่ะมันดูดเลือดเนี่ยพปกปลิงอยู่ในน้ำก็เป็นอันตรายแล้วถ้าไปอยู่ในที่โลงแจ้งเราคงจะคุ้นกับสุภาษิตไทยในกร อ, อกไม่ที่มันเข้ากับเรื่องโกโกเนี่ยแต่เขาไม่เรียกโกเขาเรียกว่าวัวสันหลังวหวานไม่แสหวาน หว่าที่มันคงไม่ได้หมายถึงไม่มีเนื้อหุ้มเลยสันหลังหว่าก็คือสันไอ้สันหลังหว่านี่ยมันมันเป็นแหล่มันหว่าเป็นคือเนื้อไม่มีไอ้หนังไม่มีแดงแดงอะเรียกว่าสันหลังหว่าหว่ามากอันตรายมากหว่าน้อยอันตรายน้อยน้อยถ้าไม่มีเนื้อติดไม่มีหนังติดเลยเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่ามันจะต้องตาพวกเหี่ยวพวกกาพวกสัตว์ที่อยู่ในอากาศทั้งหลายแหลเนี่ยครับ จะพากันกลูมอลุมลำพังแค่ยุงลิ้นอไหลคงไม่ใช่าเลือดจะต้องตอมกันไล่กันไม่หวาดไหวเลยแล้วมันจะไม่ฟังเสียงทั้งสิน้นมนคือมันทนย้าวโยวนของอ่กลิ่นของสีเลือดเนื้อ น, นั้นไม่ได้อันนี้ก็เลยเปรียบให้ฟังอย่างนี้ตูเจ้าแต่เปรียบให้ฟังอย่างนี้ ที่เปรียบอย่างนี้เพื่อที่จะแสดงอารมณ์ของผู้ที่เข้าถึงธรรมคนที่เข้าถึงธรรมนั้นมีสภาพเหมือนกับโคอย่างไรอันนี้ก็มามีบทที่จะสรุปถึงความรู้สึกให้ฟังที่เป็นอารมณ์ของผู้ที่แทงตลอดในปัสสาและเวทนาว่าคนที่เห็นโทษของผัสสะ โดยการกาหนดรู้อย่างที่ท่านจะได้กล่าวต่อไปเนี่ยเหมือนกับโคเนี่ยเอาอ่านข้อความย่อหน้าต่อไปซะก่อก็ได้ว่าข้อนั้นฉันนั้นเรากล่าวว่าเพิ่งเห็นผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกาหนดรู้อัศ ส, สาหารได้แล้วก็เป็นอันกาหนดรู้เวทนาทั้งสามได้เมื่ออริยสาวกกาหนดรู้เวทนาทั้งสามได้แล้ว เรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อะไรระวกพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วข้อความเป็นี้นะ่ะผมก็เชื่อว่าท่านอ่านแล้วคงจะเดาความว่าคืออะไรและถ้าท่านอาจะเดาผิดผมเชื่อว่าท่านท่านจะเดาผิดเป็นส่วนใหญ่ก็ลองดูหัวเถูกปะปะหรือเล่าหรือทำไมเดาก็ก็ไม่ผิดไม่ถูกอคําว่า อรียสาวกกาหนดรู้เนี่ยท่านหมายถึงกําหนดรู้ด้วยการปฏิบัติยาตาปริญญาเจนณาปริญญาปะหาหนาปริญญาขอให้ลึกไปถึงบาสนะคือการละละเนี่ยไม่ได้หมายถึงอทําไม่ให้เวทนามีไม่ได้หมายความงั้นหรือไม่ได้หมายถึงทำให้แม่ปะษามีแต่ละคือละความยื้อใยติดใจในผัสสะมันเหมือนอย่างนี้นะครับ ว่าเหมือนอย่างที่พวกเราพูดกันอยู่ทุกวันนี้อย่างคนเข้าวัดแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าคือรวมทั้งผมด้วยนะบางทีก็เปิดทีวีมันก็เบื่อเหลือเกินใ้ข่าวการเมือง ม, นนะมันเหมือนเราก็ไปดูอะไรดูเขากําลังเล่นอะไรพูดอะไรกันอ่านหนังสือพี่เมือว่ดูแล้วไม่เป็นสาระที่น่าชื่นใจเลย แต่บาก็จำเป็นต้องรู้แล้วก็ต้องตดความคิดให้มาเป็นอีกด้านหนึ่งแต่ในตัวมันเองเนี่ยมันมันมันเหมือนกันเด็กอ่ะยผมจะพูดแรงบ้างเปล่าไม่รู้นะแต่นี่ก็คูดในความรู้สึกก็เหมือนกันเด็กเล่นอะไรกันก็ไม่รู้บางคนก็เลยเบื่อบางคนไม่ได้ดูมาดูทีวีมาเป็นปีแล้วบางคนอยู่ได้ไงไม่รู้นะหรือว่าประเภทข่าวดารา คนนั้นเป็นอย่ังไงคนนั้นไปยุ่งกับคนนี้ไม่ว่าจะกล่าวอหลังข่าวตามช่องต่างๆหรือข่าวตามหน้าโน้ติมพหน้ากอลัมดาราคนนั้นแสดงว่าคนเขาชอบมันเขาชอบจริงๆนะเขาชอบมากหนังสือดาราวก็ดูไอเราก็ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสาระที่จะอยากรู้อยากทราบมันอย่างคนอื่นครัทอหรือบางคนอาจจะติดนิยาย บางคนก็รู้สึกว่ามันมันไม่เป็นดาราบางคนก็อาจจะจะยังดูอยู่ก็บอกว่าก็ดูให้มันเป็นดาราสิก็เลยดูให้มันเป็นดาราไปแต่บางคนก็เห็นแล้วก็อมันก็มันก็เบื่อไอ้ดูจบแล้วมันก็แก่นะมันก็เห็นมีอะไรเออมันหลายๆอย่างไม่ได้ว่าเวลาไปเข้าสังคมใครเขาพูดอะไรกันมันก็พราเจอนะ หลายคนบนเบื่อเราเข้าใจกันแล้วกันมันไม่ตื่ว่าทนกับการที่จะมานั่งอยูอ่ในสังคมที่พูดอะไรกันเขาไม่รู้เพื่อเจอรอไรสาระไม่เป็นประโยชน์ไม่รู้ตัวเองจะตายวันตายด้วยเราก็คิดแทนไปสิหรือใครเขาด่ากลางถนนรถชนกลางถน น, น, น, ถ น, นโอ้โหทไมคนไปชอบดูกันนะ เขาหนึนทางผมชอบมันแหมมันโอชาเหลือเกินมันยัวยวยว่วยุนเหลือเกินแต่ว่าอย่างพวกเรานี่ก็รู้สึกว่ามันตรงกันข้ามมันไรสาระจะไปดูจะไปฟังเขาทําไหมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เราก็พูดถึงเป็นส่วนเฉพาะเรื่องแวดการท่องเที่ยวเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่ บางคนก็ไม่เห็นเป็นสาระจริง ๆ, งๆบเออไปแล้วก็ไมเห็นมีแต่ตึกมีแต่คนเขาเห็นพวกเราบางคนมาพูดนี้นะไอ้ลูกก็อยากให้ไปก็ไปแล้วไม่เห็นเนี่มีแต่ตึกมีแต่คนคนไอ้ลูกก็อยู่ตามเตะก็อยากให้พ่อแม่เขาไปเปิดหูเปิดตาเ ม, มื่อมองไปยิ่งไปยิ่งโง่มันไม่ได้จะลาดขึ้นเนี่ยเขาก็ว่าอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เจ้าเป็นสาระสู้หลับตาไม่ดูอะไรดีกว่าเลย แต่นี้ก็ไม่ได้มาว่ากันหรอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ใครอาจจ ะ, ะแสวงหาสาระกับสิ่งเหล่านั้นก็ได้นี่พูดถึงว่าถ้าเราจะซ่องเสรถูกต้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรู้สึกอย่างธรรมดาชาวบ้านเนี่ยมันไม่มีสาระนะแต่อย่างเราเนี่ยมันจะเริ่มมีสาระเมื่อเราพลิกความคิดไาอีกด้านหนึ่งมันจึงจะมีสาระตรงนี้ตรงนี้แหละครับ ในความรู้สึกของผู้ที่แทงตลอดในธรรมเนี่ยท่านเห็นเป็นเรื่องมันไม่ใช่แค่นาเบื่อแต่มันเป็นเรื่องเจ็บปวดอะเจ็บปวดมันเป็นที่มาของภัยในสังสารวัตรก็ตัวผัสสนี่แหละนามาและเวทนาใดๆไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความเจ็บปวด เป็นอาการเจ็บปวดในสังสารวัตินี้ไอนี้พอมาถึงตัวนี้ชาวเราเข้าใจ ย, ยากเราเราค่อนข้างจะเข้าใจ ย, ยากสาหรับคนทั่วไปก็คงต้องนึกก็เปรียบเทียบเอากับกรณีต่างๆที่ว่ามาเนี่ยนะฮะคืออย่างเนี้ยว่ามันเหมือนกับเรารู้สึกว่าการที่คนหนึ่ง ศิยาเสพติดอะไรก็ได้เอาที่ร้ายแรงที่สุดก็แล้วกันเขาเสพยาเสพติดนั้นด้วยท่าทางที่ซีสาซีสะหรือคนที่เขาไปสาแสวงหากามมาคุณอารมณ์ที่มีเชื้อเอดอยู่ด้วยอาการซีสะซีาะเรารู้สึกหวาดเสียวไหมเรารู้สึกว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เรารู้สึกความมันน่าหวาเสียและมันเป็นทุกอันนี้เหมือนกับพระอาจารย์ทีนี้ไอ้คนที่มันไม่รู้เนี่ยครัเรานิดถึงคนที่ไม่รู้นะเรามองให้พยายามมองต่าๆลงไปเพื่อจะได้เทียบความรู้สึกของพระอาจานย์ที่มองเราก็มีความรู้สึกเป็นของดีไม่กลัวเลยไม่สะทกสะเทือนวันไหวเลยเป็นของดีของวิเศษไอ้คนที่มันติดยาจัดเนี่ยนะ ล้วกลังสู่ใครไปทำมันหกหนึ่งฆ่าตายเ่ยนะเป็นเพดานแด้วพ่อแม่ยังฆ่าตายเลยอ่ะที่เคยมีข่าวลูกพ่อไอ้แม่ไม่รู้ว่าลูกติดของข่าวไอ้ลูกก็ไม่ต้องการให้รู้แต่ติดเยอะแล้วก็ไปซื้อและซุกไว้แม่ไปเห็นเก้าเอาไปทิ้งแล้วมันก็มาหาไม่เจอ มาถามแม่อนสุดแม่ก็ทนบังคับถามเลยก็ตทําบังค่าแม่มาเลยอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์ทีนี้ไอ้ชีวิตเรามามองดูว่าไอ้สัมผัสอะไรสัปสะอะไรในโลกเนี้ยที่เราเสพกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นไปเพื่อความทุกข์ในสังสา ร, รวัฏที่เราเองเนี้ยเราไม่แทงตลอดที่พูดเนี่ยพูดยังไม่ใช่เราแทงตลอดเห็นพิษเห็นภัยไปหมดทุกหย่อมหญ้าไม่ว่าจะ คนต้นไม้พิงต้นไม้พิงฝากลางแจ้งในน้ำคือผัสสะในเตภูมิกาวัดในทัศนะของพระอรหันต์เป็นของที่น่าสะพึงกลัวเป็นทุกเป็นความเจ็บปวดทั้งสิน้นนี่ก็เป็นแต่เพียงบอกอย่างที่เราก็ออกเเดียวกันคือไม่เข้าใจอย่างแท้จริงดังนั้นที่ท่านบอกว่า เมื่อกําหนดรู้ผัาษาได้แล้วคําว่ากําหนดรู้ภาษาไม่ใช่รู้อย่างที่เรารู้ว่าภาษาเนี่ยเราก็รู้ว่าโตเป็นไงเวทนาเป็นไงไอเรารู้คือรู้ด้วยกิเลสที่ให้ค่าไปอย่างไหนคนสุเบลีมันก็รู้แล้วก็ถ้าพูดถึงว่าเรารู้ด้วยจิตที่เป็นกุศลมันก็เป็นกุศลขั้นหนึ่งเพราะนั้นเราเนี่ยจะรังเกียจภาษาบางอย่างเท่าที่ภูมิปัญญาเรารู้และไม่รังเกียจภาษาอีกมากอย่างที่ภูมิปัญญาเราไม่รู้ ยกตัวอย่างเช่นถ้าพระที่อยู่ในอาจารอยู่ในศีลอยู่ในการปฏิบัติจะเป็นพระชายหรือพระหญิงแล้วก็มีชายหนุ่มหญิงสาวเข้ามากอดมาเค้าครึงคอเกลียพูดด้วยคำอ่อนหวานเยื่อยวนในเมถุนธรรมเป็นความฝุขของท่านไหมเป็นความน่ารักไม่เลยท่านกลัว ในี่คล้ายๆอย่างนี้อันนี้คือในภูมิปัญญาเท่าที่ท่านจะเข้าถึงได้เพราะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันนํามาซึ่องอะไรเพราะฉะนั้นพระอริยะแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยจึงแจมแจ้งในผัสสะในเวทนาต่างกันก็กลัวเวทนากลัวผัสสะแตกต่างกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ที่แทงตลอดผัสสะอย่างสิ้นเชิงเนี่ยคือพระหลาน ก็ความอั น, นี้ท่านพูดถึงราอรันนครับที่ว่าเมื่ออริยสาวกกาหนดรู้ผัาษาได้แล้วก็เป็นอารกำหนดรู้เวทนาทั้งสามได้เมื่อกําหนดรู้เวทนาทั้งสามได้เรากล่าวว่าไม่มีสิใดที่อริยสาวกพึงทํายิ่งขึ้นไปกว่านี้อันนี้ท่านพูดถึงพราอรันขอให้ท่านมองย้อนขึ้นไปตอนท้ายของประเด็นที่สามตอนท้ายบรรทัด ท, ท้ายเนี่ยที่ว่าเมื่อกําหนดรู้กั ว, วลิงการลาหานคือละ ตามได้เป็นพระอนาคามีไม่ต้องรอจนเป็นร า, ารานแต่ผู้ที่แทงตลอดอย่างสมบูรณ์ในปัตตะและเวทนาท่านแสดงสูงสุดเลยเนี่ยนะเป็นร า, ารานก็แปลว่าอยู่จบโรมจันทร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอได้โปรดเข้าใจว่าผู้ที่รู้ผัตตะและรู้เวทนานั้นมิใช่รู้แต่ปัตตะเวทนาอย่างเดียว ท่านหมายเอาการที่บุคคลจะเริยวิปัสนากรรมฐานด้วยยกเอาผัสสะและเวทนาเป็นมุกเป็นมุกเนี่ยหมายถึงเป็นบับเป็นข้อกำหนดหลักเหมือนอย่างในสติปัฏฐานสีที่มีมุกแต่ละอย่างแต่ละอย่างการทำวิปัสนาเนี่ยมีบับหลากหลายไม่รู้จบเราจะทำในมุกนี้ก็ได้แต่ในมุกอย่างเนี้ยไม่มีสานักใด ให้เราศึกษาให้เราไปทดลองปฏิบัติโดยตรงนะ mm hmm. บุญเจก็มาโดยตรงแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันก็ถึงนั้นไปถึงนั้นมาแต่ว่าพระสูตรหรือคำสอนเจ้ามันจะแสดงวิปัสนาโดยมุกอย่าไปเอาการเข้าถึงแบบรวมๆ ม, มาเป็นข้อกำหนดว่าทาทุกปรับไม่ได้ mm hmm. ก็เป็นนั้นว่าถ้าเป็นท่าอาหนแล้วก็อยู่จบลงมจาจย์ไม่ต้องทาอะไรยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก ผมจะไม่อธิบายถึงการกระจายตัวของการรู้จากภัษาไปสู่เวทนาอะไระไรต่อไปอีกนะฮะอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้บางส่วนได้อธิบายมาในเรื่องของอาหารบ้างแล้วเพราะฉะนั้นนี่ยท่านจิงสรุปให้ฟังว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์แล้วเนี่เอาสมบูรณ์เลยย่อมมีสภาพที่กล่าวโดยประเทียความได้ดังต่อไปนี้ คือโคเนี่ยโคไอ้ที่แม่โคเมื่อกี้ย่อมเห็นภัยอันอเกิดจากการกัดกินของสัตว์ซึ่งมีกายของตัวเองเป็นมูลตรงนี้ฟังให้ดีละอรหรันเบทนาทุกอย่างเอาสมบูรณ์เลยมีความรู้สึกรู้สึกว่าไอ้แหลงภัยใหญ่เนี่ย มันอยู่ในตัวเองตป็นมูลนะ่นแท้ๆเขาเป็นมูนล เ, เหมือนเอาเรางเทียบอย่างเราไม่ไ ม, ไม่นึกถึงโคกรกอะไรกันว่าเราเองเกิดบาดเจ็บขึ้นมาสักที่นึงเกิดแผลขึ้นมาสักที่หนึ่ ง, งจับอะไรก็ไม่ได้เยียบอะไรก็ไม่ได้คู่ก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้อย่างเงี้นะหรือเอาปันปวดทั้งปากไปถอนปันมา่ะปวดระบบไปทั่วทั้งปากทั้งกระดูกเลยนะคิีว่าะวอะไรเลยเราจะไม่ปาลานลบโทษ อาหารที่เรากินเป็นสาระใหญ่แต่เราโทษอะไรเป็นสาระใหญ่โทษปากของเราเองโทษบาดแผลของเราเองเป็นสาระใหญ่และเพราะเราเห็นว่าโทษเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองที่ปากของเราเองเราก็เลยไปตั้งข้อลังเกียจที่จะกินอาหารรงเดชหรือโดยไม่ระมัธละวังไม่บัญญาบรรยัญญงไม่มันคือการโดยแยบกายให้ดีก็จะนึกอย่างนี้ เหมือนแม่โคเนี่ยไอความรู้สึกเจียมตัวมันจะมีขึ้นมาทันทีว่าเราโคบวัวสนหลังหวาแล้วนะตอนอะไรโชบ ป, ปานะไรรู้สกว่ากำเนึดตัวเองว่าไอชีเขาต้องมาโชบมาเจียวเนี่ยเพราะว่าตัวเองสันหลังหวาตัวเองไม่มีหนังหุ้มอันตรายมันอยู่ที่ตัวเองก็จะระลึอกอย่างนี้แล้วก็จะระวังนี้ให้ กายของตัวเองกับเหี่ยวเป็นต้นได้สัมผัสถูกต้องกันก็เกิดความสํารวมขึ้นนี่ก็เรียกว่าการเพ่งโทษการสํารวมมาผู้กลับอยู่ที่ตนเองนี่ประการหนึ่งประการที่สองไม่ต้องการลาบสักการะความนับถือ อันจะพึงเกิดแก่ตนเลยอ่ะพี่ก็ไอ้คาพูดนี้อธิบายได้ทั้งโคและพระอาลามเราลองนึกดูนะว่าถ้าเราเป็นโคตัวนั้นเนี่ยหนังไม่มีรุ่ตัวเนี้ยเราจะชื่นชมแม้ว่าวันนี้ทําไงนะจะถูกหวยสัทีวันนี้จะถูกหวยสองตัวสามตัวรางวัลที่หนึเอ๊ะทําไมก็าไม่มาคอยลบเราหนะ้าทาไมก็ไม่มาให้เกียรติเรานะ เราจะมัวมานั่งคิดให้ความสำคัญแก่สิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่อันนี้เราก็ย้อนกลับมาพูดถึงตภาวธรรมว่าเมื่อเราเห็นอันตรายของปัสจาเห็นโทษเห็นความหน้าเบื่อหน่ายของปัจจาของเวทนาเนี่ยไอความรู้สึกที่จะไปจดจ้องแสวงหาลาภสการะติดโลกรธรรมเนี่ยมันหยุดชะงักอย่างเห็นเห็นเลยครับ ก็มันไม่มีสาระอันนี้เราพอเข้าใจได้บ้างหลายๆคนที่นั่งอยู่นี่ก็พอเข้าใจจากพื้นฐานตัวเองนี่ได้บ้างทีนี้ถ้าเป็นถึงขั้นอหรหันเนี่ยไม่ว่าเมื่อไหรไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าจะในสำนักไม่ว่าจะนอกสำนักไม่ว่าจะในคา ม, มันิคมแว่นแคว้นหรือไม่ว่าจะในป่าลึกในราวป่าในถ้านในหลอมฟางท่าน มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรทั้งคือคนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่เห็นค่าของผัสสะและเวทนาจะแล้วนอกจากไม่เห็นค่าและเห็นโทษเนี่ยมันก็เห็นโทษหรือไม่เห็นค่าของสิ่งภายนอกอันเป็นที่มาเป็นอารมณ์กระทบถูกต้องแก่ผัสสะของตัวเองนั่นแหละไม่ต้องการการนวดการทุบหลัง หรือการประครบด้วยน้ำร้อนน้ำเย็นตีิงไหมเนี่ยโคที่สันหลังไอ้ที่ที่ไม่มีหนังหุ้มเนี่ยอะไรอะไรมันก็ไม่มันต้องการไม่ลงทีงต้องการอย่างเดียวก็ต้องการหนังถ้าจะให้ต้องการนะนะผมพูดไปแล้วผมค้นึกถึงเรื่องที่ผมเคยเล่าไอ้ขอทานคนหนึ่งที่ไปถูกน้ำร้อนไอ้ถูกไฟลวกทั้งตัว เออมานั่งขอทานหลงวัฒนมาธาตอนี้เล่าแล้วก็คิดได้หลายเรื่องประทักใจมากเ ค, เ, าเคยขี่สามลออเรื่องแล้วก็ลงไปนอนแก้ตายอตอตํามล้อแล้วมึเกิดน้ำมันมันไหลอีท่าไหนม่รู้แล้วสะเก็ไฟไปโดนเขาลุกดิ้นก็เดาก็เดาอยู่นะโอ้โหนี่จะมาไหมจะนอนไว้ชั่วไม่ตายตอนนั้นโอ้โหความ คนจะช่วยเข็นช่วยเคลื่อนลำร้อได้ไฟไหม้ไปเท่าไหร่แล้วพอดับไฟเสร็จเนี่ยครับหมอได้แต่นั่งมองไม่รู้จะจับตรงไหนถูกมันเละทั้งตัวไอ้อ่านเรื่องนี้แล้วผมก็มานั่งนะสมมติมว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราอยากให้หมอทำอะไรหม อ, มอไม่รู้จะทาอะไรอยากทาเรือจะทำไงจะบอกหมอช่วยนวดตรงนี้ทีนวดได้ไหม หมอช่วยเอาลูกประกบมาประกบตรงนี้ดีประกบไม่ได้หมอช่วยหามเข้าไปนอนในห้องแอร์ดีหมอเองก็ไม่รู้จะทำไงเคยชอบพูดน้าสงสารบอกเนี่ยผมต้องทนปวดทนเจ็บอยู่สามเดือนเต็มๆใช้คำว่าสามเดือนเต็มๆนะปวดชนิดที่เรียกว่ามันรวดรราวอย่างเข้าใจทราบซึ้งเลยคําว่าตกนรกเนี่ยมันมัน ทุกทรรลักมานขนาดไหนพอแกหายเจ็บหายปวดแผลเข้าที่ก็พ่อครัวแตกลูกยังเล็กอยู่ลงคิดดูเป็นพ่อแล้วเามื่อก่อนหน้าอย่างเอ๊ะทำไมพ่อละหายไปไหนเหลือใครกันไม่รู้ลูกก็ไม่ครบอีกลูกลูกยังไม่โตนี่ไอ้รรยาไม่รังบูถึงบรรยาไปทิ้งเลย แก่ก็เลยไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้ยามาทำไปเอามาเป็นคนสวนก็แหมสวนสวยแต่คนทําไม่สวยมันมันเกินไปนะเออก็เลยนึกว่าถ้าไปเป็นยามเฝ้าประตูถ้าจะดีต้องเฝ้ากลางคืนนะกลางวันไม่เดี๋ยวคนไม่เข้าบ้านเลยกลางวันกลางวันน้อเอาคนใหม่ <c oughs> ผมก็ดีใจที่ไปชวนแกคุยแล้วก็มีคนมาลุมฟังข้อมูลแล้วแกรวยไว้นั้น โนฟังแล้วก็สงสารเนี่ยผมช่วยบอทานาด้วยทีเนี่ยหลายหนแล้วไปเป็นตัวชูโ ล, ลงหน้ามา้คน็มาลงมแล้วก็ให้มันเล่าอะไรต่ออะไรแล้วเออได้เงินเยอะไปเลยวยิธีทําบุญทอดประปาแต่มางทีฮะที่ที่มาพูดถึงพระอรหันเนี่ยนี่พูดถึงซีกอุปมมาเนี่ยพูดถึงซีกอุปมใหม่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้นย พระอาหารหันหรือไม่ไ ม, ไม่อย่างเราพอเข้าถึงพอสมควรเนี่ยเราต้องการการเอา อ, อกเอาใจไหมแล้วใคร ม, มามาใจเราน้อยใจเราต่ำใจเรายังวุ่นวาไม่เลยไม่ต้องการการเอา อ, อกเอาใจเพราะว่าการเอา อ, อกเอาใจจะเอา อ, อกเอาใจอย่างธรรมดาอย่างทางโลกโลกธรรมก็ดีหรือว่าเอา อ, อกเอาใจอย่างที่เป็นวัดที่อันเตวาสึกวาสิกจะพึงปฏิบัติต่ออาจารย์หรือสัตติภิหาริกจะพึงปฏิบัติต่อ ออุปชาอาจารย์ก็ตามก็ไม่ใช่สาระสําคัญเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็มาอยู่ในกระ บ, บวนการของพัสสาและเวทนานั่นเองก็ไม่ต้องการการเอาอกออกใจคือ้เรื่องนี้นะเราก็ยอมรับกันอย่างนึงว่าบางทีคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่โดยไวผู้ใหญ่โดยอํานาจหน้าที่ต้องการคนเอาใจอนะแล้วก็คนผู้น้อยก็รู้ครับ จะไปยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ไปยืนกลางแขนก็ไม่ได้ต้องยืนกลุ่มกลุ่มมือผู้ใหญ่จะได้ไม่หมันไสอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาใช้ ค, คําพูดคําจาคาสรรพนา ม, มาอะไรต่างๆก็ต้องแสดงให้ดีก็ถ้าจะให้ท่านเมตตาก็ต้องเอาใจอะไรกันให้มากกว่านั้นแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่สนใจปิงเหล่านี้แต่ไม่ใช่ว่า ปฏิเสธหรือลังเกียตหรือดูหมิน่นสิ่งที่คนเขาให้เป็นบริยาวัจจ่หรือให้เป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยครับท่านก็จะพิจนารณาแล้วก็อธิบายกับตัวเองได้โดยประการอย่างนี้ข้อสีอ่ไม่ถือตัวมัวเมาไม่ถือตัวมัวเมาอันนี้ก็จะเห็นว่า การที่เรากําหนดรู้ภาษากําหนดเวทนาได้ไการถือตัวเห็นความสัมพันธ์สำคัญของตัวเองเห็นความสาคัญของภาษาของเวทนามันก็หนีไม่พ้นแหละครับที่เราจะคิดแก่ตัวเราเองว่ายังไงยังไงมันก็คือก่อให้เกิดภาษาหรือตัวเองเป็นที่กระทบตัวเองเหมือนกับไอ้โคแม่โคเนี่ยสมมุติว่ามันเกิดจะปฏิเสธอย่างอื่นหมดแล้วมันจะเอา เอาท้ามาตะกุยหน้ามันเองมันกล้าตะกุยั้มมันไม่กล้าตะกุยเจ็บอีกเหมือนกันอันนี้พระอรหันต์ก็เหมือนกันการให้ความของการผ้าคลุมในตัวเองการหลงตัวเองอะไรทำนองอย่างนี้ก็ไม่มีกวัานั่นมันก็เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นข้อที่ท่านเปรียบเทียบให้เห็น เป็นอนท่านนจงสรุปตอนท้ายว่าผัสสะไม่ว่าจะที่ไหนที่ไหนในภูมิสามเจ็บปวดทั้งสิ้นอันตรายทั้งสิ้นก็อย่างที่เราพูดกันในหมู่คนปฏิบัติได้พอสมควรมันนึกถึงการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไรสาระน่าเบือ่อ มันนึกถึงไปเกิดเป็นเทวดาก็ไร้สาระน่าเบือ่อไปนึกถึงไปเกิดเป็นพรมก็ไร้สาระน่าเบือ่อมันรู้สึกได้ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะได้อะไรไม่ว่าจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ตัวเองให้แก่ตัวหรือคนอื่นให้แก่ตัวเองก็เกิดความรู้สึกลวกยอดเหมือนกันหมดว่ามันก็ผ่านไอ้ตรงนี้เหมือนกันผ่านปากแแห แห่งภัสสาะและเวทนานี้เหมือนกันนี่เป็นการกำหนดรู้ภัสสาะและเวทนาถึงขั้นเป็นพระอรหารก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เอาละครับก็จะว่าถึงมโนสันเจตนาหามต่อไปคือเรื่องกรรมที่ท่านได้ตรัสว่า ก็มโนสันเจตนาหานจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่ามีหลุมฐานเพลิงอยู่แห่งหนึ่งลึกมากกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู่คือไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์นี่หมายถึงคนธรรมดาชาบ้านธรรมดาเนี่ยครับ ก็เดินมาบุรุษสองคนมีกําลังจับเขาที่แขนข้างละคนคร่าไปสู่หลุมฐานเพลิงท่านใดนั้นเองเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจจะอยู่ให้ไกลาจากหลุม่านเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเราเขารู้ว่าถ้าเขาจะตกหลุมฐานเพลิงนี้เขาจะต้องตายหรือทุกขปางตายข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าพึงเห็นมโนสันเจตนาหาน ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกาหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกําหนดรู้ตัณหาทั้งสามได้แล้วเมื่ออริยสาวกกาหนดรู้ตัณหาทั้งสามนั้นได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทํายิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วนี่ก็คืออกล่าวถึงขั้นอารหารัอข้ออุปมาที่ท่านกล่าวถึงหลุมด่านเพลิงเนี่ยครับบาลีท่านใช้คำว่า อังคารกาสุอังคารเองอังคาราที่ที่เราเคยได้ยินมันหมายถึงอย่างพระองคานแปลว่าขีเท่าใช่ไหมองคารสลีลังคารกองเท่าขี้เท่าแต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงท่านหมายถึงไฟ หมายถึงไฟแล้วก็กาสุเนี่ยแปลว่าหลุมก็ได้แปลว่ากองก็ได้เรียกว่ากาสุอังคารอังคารากาสุถ้าเป็นสูตรนี้หมายถึงหลุมทําไมพรุทธเจ้าถึงตรัสว่าหลุมเพราะว่าธรรมดาเวลาเราก่อไฟขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีหลุมเนี่ยไฟเนี่ยไม่แรงไม่มีไม่ไมีลักษณะเป็นหลุมนะในเวลาเราทำเตาไฟขึ้นมาเนี่ยต้องทําเชิงการได้เชิงการใช่ไหมโบราณ เป็นเชิงกรารเพื่อป้องลมไม่พัดใส้ไฟกระจายความร้อนมากระจายเปลยออกนอกทิศทางไปนี่ถ้ากว่าเป็นหลุมลึกลงไปไฟก็ยิ่งจะแรงฤท น, นุกเชื้อบหรุษเนี่ยก็ประมาณสักห้าศอกหศอนะครับก็ไฟจะนิ่งมากจะแรงมากอันนี้เป็นเป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่เปรียบเทียบอย่างนี้ มนโนสัญญาเจตนาหารเนี่ยเอาความว่ากรรมมนโนแปลว่าใจสังแปลว่าร่วมแล้วก็เจตนานั่นก็คือความคิดเจาะจงก็คือเราแปลกันว่าความเ <c oughs> จาะความคิดเจาะจงที่เกิดอยู่ในใจความคิดเจาะจงอยู่ในใจเอางี้แล้วกันนะเพื่อเฉพาะ เจตนามันมำดีเราแปลว่าจงใจอะไรนี่มันมีมโนโอยู่ด้วยเราก็แยกนะความคิดเจาะจงที่อยู่ในใจมัก็คือกรรมในเรความจงใจพูดง่ายๆความจงใจคือกรรมเรียกว่ามดุสันเจตนาหารเหมือนหลุมฐานเปลงข้อ น, นี้คือกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยเป็นของร้อนทั้งคู่เป็นของเผาไหม้ทั้งคู่ เราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีตัณหาอยู่ในระดับหนึ่งเราก็ตัณหาเราเนี่ยได้รับอุปการะจากปัญญาจากการระดับกลางในระดับหนึ่งเราก็เกลียดกรรมในระดับหนึ่งแล้วก็ชอบกรรมในระดับหนึ่งจริงไม่จริงเช่น เราเกลียดการลักขโมยไหมเกลียดและทุกคนในโลกนี้เกลียดการลักขโมยไหมเกลียดการโกงไหมเกลียดการคอร์รัปชันไหมเขาเห็นมึงทีเห็นเป็นของดีเห็นมึงของดีง อ, งดอาเหตุผลเข้าข้างตัวเองด้วยประการต่างๆแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่เข้าใจความเลวร้วายของอกุูสุลกรรมก็เกลียดกลับแม่นิดแม่หน่อยก็รังเกียจไม่ต้องการ อันนี้ก็ประเภทต่างๆกันไปนะครับอันนี้พูดถึงความรู้สึกโดยตรงชั้นนอกเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่เราไม่เกลียดเลยคือไม่เกลียดกุศ ล, ลกรรมทีนี้ไอเรานี่มันเกลียดได้ไหมะ่ะมันเกลียดได้ได้เองไหมตอนเนี้แมวแล้วฉันไม่ฉันเกลียดกุศ ล, ลกรรมแล้วต่อไปนี้ฉันไม่ทมําบุญมันก็ไม่ได้คือพระหล้วเองท่านเกลียดกุศ ล, ลกรรมเห็นว่าเป็นโทษเป็นอันตราย นำไปสู่การเวียนว่ายใจเกิดแต่ท่านก็ยังทำกุศลอยู่แต่เป็นกิริยาไปแต่นั่นเองเพราะว่าท่านสามารถที่จะกำหนดรู้กรรมในลักษณะที่ทำอะไรแล้วเนี่ยไม่มีผลไม่มีเชื่อเข้าสู่สันดานของท่านให้ต้องเวียนว่ายใจเกิดต่อไปแต่ไอเรื่องการพูดให้คนเกลียดกรรมนี่ถ้าให้พูดเกียเลง่ายกว่านะ ให้เกล้สกุศลกรรมในพูดยากจริงๆเลยดีนี้ไอเราเองในแง่ปฏิบัติในแง่การสร้างจิตสำนึกเรื่องนี้ต้องอย่างนี้ค่ับ <S <S 1> <S 1> คืออย่างผูเ้เช้เจ้าผลปรเทียบหรือว่าอย่างที่โบราณพูดกันมาว่าเราเองเนี่ยเราเหมือนคนลอยคออยู่ในในน้ำมีตัวนักเน่าลอยมา เราก็รีบไหว้เข้าไปหายังกะจะไปกินมันเป็นอาหารนึงแหละแต่เราไหว้เข้าไปหามันเนี่ยเพื่อที่จะไปเกาะมันเราเกาะมันด้วยความพิสมัยว่าเออเดี๋ยวจะพาไปไปอยู่บ้านเดียวกันพาไปเลี้ยงที่บ้านพาไปนอนด้วยในห้องนอนก็เปล่าเราเองต้องเข้าใจต้องเห็นกรรมว่ามันเป็นมารอย่างหนึ่ง เป็นของน่าเรียนน่าเปลววันหนึน่งแต่เราต้องอาศัยอาศัยเพื่อเป็นบาดพาเราไปสู่ฝั่งนอกต้องคิดอย่างนี้เหมือนอย่างที่หลายๆคนชอบถามเอ๊ะทำบุญแล้วเราไม่ควรจะเอาอะไรทำท ำ, ทำริงร้งๆไปพอจะไปอธิษฐานเอาอะไรเข้าก็รู้สึกว่ามันผิดทำไม่ถูกคำพระพุทธเจา้า ผมก็ตอบกับทุกคนไปในลำลองเดียวกันอย่างที่เคยพูดใน้ฟังแล้วว่าเราต้องนึกอธิษฐานเอาเป็นบาสเสมอเราอธิษฐานเอาความฉลาดไม่ใช่เพื่อความฉลาดเองเป็นที่สุดเราอธิษฐานเอาสุขภาพไม่ใช่เพื่อเอาสุขภาพเองเป็นที่สุดแต่เอาสุขภาพเพื่อเพื่ออย่างอื่นเราต้องรักษาครอบครัว รักษางานบริหารธุรกิจให้เจริญก้าวหนา้าไม่ใช่เพื่อธุรกิจเองแต่เรามีทางไปโดยรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนต้องอาศัยอะไรให้นึกอย่างนี้รรกุศลกรรมก็เช่นเดียวกันพนการรักษาแม้แต่ศีลก็เป็นกุศลอันหนึ่งแต่เราก็รักษาศีลไม่ใช่เพื่อศีลเองแต่เราต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็น เหมือนเป็นเป็นสุนัขเน่าพูดอย่างในสำนวนทัศนคติของพระอาหารหันต์มันเป็นของร้อนกุศลเป็นของร้อนอย่างไรเนี่ยมีอธิบายแปลกๆเราจะหาโอกาสพูดถึงกันในภายหลังอกุศลนั่นเราเห็นชัดทีนี้ที่จะให้ดูตรงนี้คือว่าที่ท่านตรัสว่า มโนสันเจตนาเมื่อกำหนดได้แล้วาก็ไปกำหนดรู้ตัณหาตัณหานันเป็นเหตุเกิดมโนสันเจตนาอันนี้เป็นก็แปลกอันนิดนิดหนึ่งนะฮะว่าข้อก่อนหน้านี้เมื่อรู้ผัษสะแล้วก็รู้เวทนาในฐานะที่ผัษสะนั้นเป็นผลของเวทนาจริงไหมัตสระเป็นเหตให้เกิดเวทนาแต่ตรงนี้น่ะ รู้กรรมแล้วมารู้ตัณหาตัณหากับกรรมเนี่ยใครเป็นเหตุให้เกิดใครท่านบอกว่ากรรมมีตัณหาเป็นมูลเป็นเหตุเพราะบุคคลมีตัณหาจึงทำกรรมเพราะบุคคลมีตัณหาจึงชอบกรรมไอ้ที่เราทำกรรมเพราะเราชอบจริงๆเราชอบทีนี้เวลาเราชอบกรรมเนี่ยมันมอยู่สองชั้น คือในความรู้สึกชั้นนอกอันหนึง่งเราก็รู้สึกว่าเราชอบกรรมบางอย่างไม่ชอบกรรมบางอย่างแต่ในความรู้สึกชั้นในเนี่ยเราชอบกรรมทุกอย่างจริงไหมเอาที่สุดให้ฟังว่าเราเนี่ยชอบฆ่าไหมในความรู้สึกชั้นในตอบว่าไม่ชอบนะบอกเือไอ้ที่ที่ไม่ตอบยงเลยก็แหมฝืนชันง้งนักไี จริงๆเนี่ยแม้ถ้าไม่เห็นแก่ธรรมะไม่มีความรู้สึกด้านดีเข้ามาปิดกั้นแล้วก็ตอบผัวไปแล้วขนาดการการยงเผลอพัวพัวบางทีก็แกลงบ่มเบอไปนั้นแหละดังนั้นกรรทุกอย่างเนี่ยเราก็มองผมก็มองตัวผมเองว่าไอ้ความผิดศีลทุกข้อเนี่ยเราเกลียดมันไม่จริงไอ้ลึกๆเนี่ยนะเรายัางเรียงลำได้ แต่ที่เราไม่เพียงพล้ำเนีเพราะว่าไอความรู้สึกชั้นอกตานึกตำนึกชันอกเนี่ยมันกู้กุ่มเราไว้แต่ถ้าเมื่อไรเราไปต้องอยู่ในเงื่อนไขบางอย่างเนี่ยเราฆ่าคนได้นะเชื่อไหมฆ่าคนได้เนี่ยผมลองนึกๆดูแล้วเออถ้าอย่างนี้ฆ่าได้ไหมมีเป็นไปได้เหมือนกันระวังนช่ไหเป็นไปได้ไหมที่เราจะรักษา โกงเล็กงน้อยกงนิดกงหน่อยได้เงื่อนไขที่เราตั้งดูใจตัวเองเป็นไปได้ไม่ที่เราจะประพฤติผิดในกางเป็นไปได้เป็นไปได้ที่จะพูดโกหกเป็นไปได้ไม่ที่จะดื่มสุราเมลัยเสพของมึนเมามันมีเงื่อนไขที่จะเป็นไปได้ทั้งนั้นเราถึงไว้ใจไม่ได้ต้องเพิ่มความรู้สึกจันนอกเนี่ยเข้าไปอ่าควบคุมไปลดอืละ ให้สนึกชั้นไนอ้ตรงนี้แหละครับก็คือการละนั่นเองเวลาเราละกิเลสเนี่ยเราก็ละตั้งแต่ปลุกความรู้สึกที่ดีชั้นนอกขึ้นมาแล้วให้มันกินลึกเข้าไปเวลามันลงลึกเข้าไปมันก็จะเป็นการเป็นความรู้สึกชั้นไหมเข้าไปแล้วก็ละลายความรู้สึกฝ่ายตำ่ำชั้นลึกลงไปลึกลงไปออกไปจากสันดานของเราในที่สุดนั่นก็เราจึง ชอบบาปอย่างที่พูดแจ๊สว่าผูุ้จชนเนี่ยจิตใจผู้ดุชนนั้นไหลไปในทางต่ำมักไหลไปในทางต่าถ้าเราไม่ตั้งบรรลบกั้นไว้ดีตอนนี้เป็นด้วยกันทุกคนแล้วมันก็ขึ้นขึ้นลงๆจริงกันไปจริงกันมาแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยตั้งหาท่านถูกจำกัดเด็ดขาดในบางระดับได้ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมทางต่ำของท่านก็ถูกจำกัดเด็ดขาดกรรมทางต่ำของท่านในธรรมกรรมบางอย่างแล้วที่เรียกว่าเป็นอาถานพะณไม่ใช่ฐานะที่พระโสดาบันจะทําเป็นอาถานพะณไม่ใช่ฐานะที่พระอนาคามีจะทําไม่มีอยู่แล้วก็เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็แน่นอนเลยหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรก็ไม่ทําโดยไม่ต้องฝึกฝืนใจไม่ต้องควบคุมตัวเองอีกต่อไปเลย นี่ถ้าถามว่าทําไมตัณหาถึงต่างกันไอความอยากความอยากของเราเนี่ยทำให้เกิดกรรมอันนี้ท่านนึกเอาเองบ้างก็แล้วกันนะผมผมไม่อธิบายนี่ตัณหาต่างกันเพราะสัญญาต่างกันการสั่งสมบูรมความทรงจําของเราที่สั่งสมเนี่ยประสบการณ์การศึกษาเราเรียนที่ได้รับการปลูกฝังรับรู้มามันก็ทําทให้ตัณหาของเรานั้นต่างระดับกันไปเราก็าลองนึกดูว่าถ้าเราไม่ได้เรียนธรรมะ ไม่ได้ละกุศนสัญญาทางนี้แล้วเราก็คงจะมีตัณหาไม่เป็นอย่างที่เราเป็นทุกวันนี้ให้คนอื่นด้วยเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้หรือตอนที่เราเป็นอย่างคนอื่นก็เป็นเราก็มีตัณหาอีกย่างหนึ่งคิดไ่าฝันอย่างอะไรอย่างงู้อย่างนี้ไปตามเรื่องตามราว อ, อันนี้ก็เป็นอาหารที่สามต่อไปอาหารที่สี่ อาหารที่สี่คือวิญญาณอาหารที่ท่านสอนให้พิจานานดุดพ อ, อกร้อยเล่มร้อยเล่มก็ะก็แย่เลยเนะี่ยหกร้อยเล่มมั่งอะอกร้อยเล่ม น, นะก็วิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรเหมือนอย่างว่าพวกเจ้าหน้าที่จะทำความผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่ากอเดชะเมื่อโจรผู้นี้กระทำผิดใต้ฝ่าละอองตรีบะบาเจรงพระกรุณา โปรดกล้าวให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่ทรงสินต้ควรติดิดจึงมีพระกระแสรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญไปเถิดพ่อจงประหารมันเสียด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเชา้านี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ช่วยกันประหาร น, นักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเชา้าพอมาถึงกลางวันก็มากราบทูทลถามหรืว่าเอา้ากลางวันก็ประหารด้วอกร้อยเล่ม แหมหนังบางกองเหนียวม่โชว์นนี้พอตอนเย็นก็หอกร้อยเล่มอันนี้ก็เป็นเรื่องตะมุนขึ้นให้เห็นว่ามันน่าระเบิงกลัวก็เป็นนั่นว่าโจรคนนั้นวันหนึ่งเนี่ยถูกประหารถูกทําลายถูกลงโทษ ด, ด้วยหอกสามร้อยเล่มมือละลอยมือละร้อยเล่มแค่เล่มเดียวก็ต้องตายอยู่แล้วล่ะท่านเปรียบเหมือนกับปัสสิสมที่วิญญาณ ว่าการเกิดหรือปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันเหมือนหอกทําไมถึงเหมือนหอกคือท่านบออันนี้ถ้าพูดเข้าหลักสภาวะลึกหน่อยเนี่ยจะฟังไม่ออกทุกคนแต่ว่าผมก็จะพูดไว้ถ้าหลายคนนี้ฟังออกลําพังใอ้ตัวปฏิสนธิที่มันไม่มีทุกเวทนาทุกเวทนานั้นไม่สหรัชดรในปฏิสนธิจิตของสัตว์ทุกพบทุกภูมิทุกอัตภาพปฏิสนธิจิตนั้นอย่าง เลวก็แค่อุเบกขาเวทนาอย่างดีก็สมนัสเวทนาที่เป็นทุกเวทนาไม่มีทีนี้เวลานักโทษถูกห อ, อกประหารเนี่ยถามว่าห อ, อกเจ็บหรือนักโทษเจ็บออกไม่เจ็บนักโทษเจ็บฉันใดก็จันนั้นปฏิสนธิที่นำชีวิตเรามาเกิดเนี่ยไอ้ตัวปฏิสนธิมันไม่เจ็บแต่มันทำให้เกิดแผลไง เกิดเจ็บที่หลังชาติปิจุขานั้นผงบอกว่าเพราะว่าการเกิดนั้นทําให้เกิดปัญหาตามหลังเกิดทุกข์ตามหลังจึงตรัสว่าชาติปิจุขาการเกิดเป็นทุกข์ทุกขเวทนาปรากฏหลังจากเกิดเพราะเกิดเหมือนกระหอกตัวหอกมันไม่เจ็บแต่มันทําให้ให้เกิดการเจ็บที่ปลาแห่ปลาแห่ หรือบริเวณที่ไอ้ฤทธ์ของแผลมันกระทือนไปถึงก็จะเจ็บไปในสรีระส่วนนั้นๆเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นการสรยวิบากก็อะไทำให้มันนึกเป็นเรื่องชวนขันกันว่าเออไอ้วันเกิดนี่มันมันวันหอกนะของขวัญวันเกิดก็คือของขวัญวันหอก ฉลองวันเกิดก็ฉลองวันหอกทำบุญวันเกิดก็ทำบุญวันหอกทีนี้มันก็มีสออย่างเลยฉลองต่ออกกันใช่ฉลองหากหอกฉลองทำบุญหากหอกก็คือว่า่าวันเกิดเราไปทำวิปัสสนาทำบุญอธิษฐานตัดโคตรตัดจ้าอะไรียก็เลยว่าฉลองวันเกิดแบบหากอไอ้ฉลองแล้วก็ไปกินเหล้าเมา ย, ยาเต้นรำขับร้องอะไรกั็ฉลองตอ่อต่อตอก ฉลองเพื่หอหมอกเนี่ยมีวันเกิดบันห อ, อกสองแบบนี้นี่พูดจะไปพูดที่อื่นเขาคงโกรนเอาเละเดี๋ยวก็เลยย้อนด่าคนพูดเขาว่าไอห อ, อกเลยก็เลยทิ่นแทงกันได้ห อ, อกคือปากอยู่นั่นแหละเป็นการพูดจากอารมณ์ของพระราม และท่านก็ตรัสอุปมาอีโดยลาดับต่อไปว่าพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรหรือเป็นเไหนคือว่าเมื่อเขากาลังประหารด้วยหอกร้อยเล่นตลอดวันอยู่นั้นจะพึงเสวยแต่ทุกโัวมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุเท่านั้นม่ใช่หรือ พิสุทั้งหลายเมื่อเขาถูกประหารอยู่ด้วยหอกแม้เล่นเดียวก็พึงเสวยความทุกข์โอมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุแต่จะกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อเขากำลังประหารด้วยหอกสามร้อยเล่นหลับ <c oughs> ข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าจะพึงเห็นวิญญาณฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออริยสาวกกาหนดรู้วิญญาณได้แล้ว <c oughs> ก็ไปนกากหนดรู้ <c oughs> นามรูปได้แล้วเมื่ออริยสาจวกํานดรูน้นามรูปได้แล้วก็เราก็กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อรครับวจจะทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกอที่จริงก็มีข้อหนอธิบายเยอะแยะเป็นว่าเราจะสรุปกันว่าคือพระอรหันเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่อุปโตภาคาวิมุตในในแง่วิปัสนานะฮะ คือพ้นจากความเยื่อใยในนามและลูกด้วยการกําหนดเห็นปฏิสนธิคือการเกิดรู้ว่าการเกิดเป็นของไม่ดีรู้แล้วละด้วยอย่าลืมนะปริญญาขั้นอรหันเนี่ยยาตาปริญญาเกิดด้วยเตียหน้าปริญญามีด้วยแล้วก็ประหารหน้าปริญญาก็มีด้วยละด้วยรู้แล้วละได้วย้วยเลยโดยธรรมดาการรู้นะครูละเป็นขั้นๆอยู่แล้ว รู้ขั้นไหนละขั้นนั้นถึงขั้นอรหันต์ถือว่าเป็นความรู้ที่สมบูรณ์จึงเป็นที่ละขั้นสมบูรณ์เมื่อท่านเห็นโทษรู้โทษของปฏิสนธิวิญญาณการเกิดท่านก็เบื่อนามรูปนามรูปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนามรูปที่ไหนที่ไหนก็เบื่อหมดพวกไดชานเบื่อกามนะฮะพวก ได้อลาัหาันเบื่อนามรูปโดยสิ้นเชิงเด็ดขาดเห็นนามรูปเป็นดีเสเลตหนองเลือดน้อยนิดก็เป็นของเหม็นของหน้าเกลียดฉันนั้นปุงแต่จ้าเปรเียบเทียบไว้ก็อย่างเราเนี่ยถ้าพูดถึงเราตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเราเราเรากลัวปฏิสนธิที่ไหนเป็นที่เราประลาเราเปนอยู่เรื่อยๆกลัวปฏิสนธิในอบายใช่ไหม ไปเป็นหมูเป็นหมาไปเป็นไส้เดือดกิ้งคือไปเป็นลูกน้ําอยู่ในตุ่มหมดท่าแล้วน่ากลัวมากนี่เท่าไหรถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามันจริงน่ะเป็นประเด้จริงๆเนี่ยน่ากลัวมากแล้วเราก็เห็นบางคนไปเกิดแล้วเราก็กลัวแทนสลดแทนเสียดายแทนวิงทีก็ญาติพี่น้องเราเองไปเป็นอย่างนั้น <c oughs> เราก็กลัวอย่างนี้นี่พูดถึงเราคิดตอนเป็นมนุษย์ในภูมิปัญญาอย่างนี้เราก็กลัว ไอคนที่เขาไม่เชื่อเขาเขเขาเขาไม่กลั ว, ลวเพราะไม่เชื่อว่าเขาจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้นะอ่าทีนี้ถ้าเราไปเป็นเดรัจฉานได้แล้วกลัวไหมกลัวไม่เป็นอีกเลยกลัวกลัวไม่เป็นอีกมันไม่เหมือนคนเป็นโลกเนี่ยพอเป็นโรค ก, ก็ยิ่งกลัวไอตอนไม่เป็นเมื่อีไม่กลัวพอไปเป็นหวัดเป็นโหวดเก้าครับไม่รู้จักกลัวตอนนั้นแต่ถ้าเราลองไปเป็นเดรัจฉานแล้วภูมิปัญญาเราหาย เราก็ถูกคติถูกกิเลสในการนัเขาคลอกงามเราก็เลยไม่กลัวสิ่งที่เราเป็นเหมือนกับเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่กลัวในอตาตมานี้ก็เพราะว่าเรามาเป็นมนุษย์แล้วเราก็เลยไม่กลัวถ้าสมมติว่าอย่างมมที่เราเกิดมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เรียกเกลียดตัวเราแล้วในนันมันเป็นแล้วเนี่ยก็เลยจำใจท่องรักมันไปไอ้ไอไกิเลสที่มันจ้องจะเข้ามาครอกก็ขรอก ยิ่งเรียกว่ายิ่งอยู่ในสัตว์ภูมิต่ำยิ่งไม่กลัวเพราะปัญญามันต่ำลงไปด้วยวันนี้ก็เป็นอันว่าประสูดีจบ